ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาธนายศรยีปัทุมในวันนี้จะพูดเรื่องหมหากัจจายณะสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระหมหากัจจายณะเป็นข้อความในพุทธอุทานเช่นเดียวกันเพราะความตน้นต้นก็คือพูะเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่รเรชเตตวันในกรุงสาวัตถี ในคราวนั้นพระมหาการจานาธิระจะนั่งคูบันหลังตั้งกายตรงมีกายยัคตาสติตั้งมันดีแล้วเฉพาะหน้าภายในในที่ไม่ไกลพระพุทธเจ้าทรงทราบความนี้แล้วก็ทรงเปริงพุทธวุฑานก็ประเด็นแรกที่ควรทําความเข้าใจในตอนต้นก็คือเรื่องของพระมหากรารยนานะ พระหมากระจายนตตามปกติแล้วสังคมไทยเรามักจะเรียกว่าพระสังกัดายเป็นภาพของพระภิกษุที่มีร่างกายอ้วนใหญ่ท้องพุุยก็นิยมสร้างกันในที่ต่างๆสำนานของมายานในประเทศจีน ก็มีพระพุทธรูปแบบพระสังกัดยายมีรูปของพระสงฆ์แบบสังกัดยายนแต่บางครั้งก็เขาก็มีตำนานส่วนตัวเขาแต่บางคราวก็พบว่าเป็นเรื่องของพระมากัจจา ย, ยานาะเช่นเดียวกันพระมากระจา ย, ยานาเป็นพระหันยุคต้ น, ต, น, ต, นตอนพระพุทธศา ส, สรูปใหม่ๆเนี่ย ระเกียรติคุณได้ปรากฏแพร่หลายไปจนถึงแควนอุดเชนีกรุงอุดเชนีในแควนนวันตีชนบทซึ่งดูทางอินเดียภาคเหนือขึ้นไปเทียบแล้วก็คือนอกมัตสิมชนบทนอกตอนกลางของประเทศอินเดียเพราะจึงถือว่าเป็นปัจจันชนบท แต่ว่าอาวันตีก็อยู่ในแคว้นใหญ่สิบกแคว้น น, นะครับจึงก็พระเจ้าจันตะปัดโชดเป็นผู้ปกครองโือการปกครองแนวนี้ก็มีสี่เมืองใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอยู่มากก็คือแคว้นอุเชนนกรุงอุเช น, นีในอวันตีชนบท แล้วก็กรุงราชสฤครนอาณาจากักรมคตอังคากับมคตแล้ว ก, กรุงสาวัตถีอาณาจักรของกาสีโกศลแล้วก็กรุงโกสัมพีของพระเจ้าอุเทนในแคว้นวังสระเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยแต่ว่าในส่วนย่อยคือข้างล่างลงมา เรียงขึ้นไปเป็นรูปขามนิคมชนบทราชธานีาเราเทียบบ้านเรานะฮะามก็คือตำบลนิคมก็คืออำเภอชนบทก็คือจังหวัดราชธานีก็คือกรุงเทพแต่ว่าประเทศเราเล็กนะฮะแต่เราเล็กคือถ้าเทียบกับสุูตทวีตนยุคนั้นพื้นที่เราก็น้อยกว่า แต่โครงสร้างในแนวนี้ก็ปรากฏว่ามีการปกครองที่สืบต่อกันมาแล้วก็มีประเด็นที่น่าที่น่าพิจารณาทบทวนนะครับเพราะถ้าเราพูดถึงแง่มุมของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยบ้านเมื อ, มองประสบความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จนกลายเป็นอูอารยธรรมของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยระบบการปกครองที่เป็นราชาธิปไตยก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการปกครองอย่างระบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันก็เพิ่งเกิดแต่ในการปกครองในสมัยสุยสภูทวีปคือสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วก็มีอยู่สองแนวแล้วก็ทั้งสองแนวก็สร้างความเจริญได้ หรืจะว่าอย่างยิ่งคือในยุค ข, ของพระเจ้าอโศกหมหาราชก็เป็นราชาธิปไตยแล้วมีหลักอย่ว่าพระอาตาธิปไตยต้องมีสติเป็นหลักถ้าโลกาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็มีปัญญาเป็นหลักและถ้าเป็นธรรมธิปไตยก็มีธรรมะเป็นหลักเพราะระบบจึงไม่ได้แปลกอะไร แต่และระบบมีธรรมะเข้ากำกับหมดหรือถ้าผู้นำเป็นผู้มีสติลึลกรู้เท่าทันถึงสถานะของพระองค์ถึงภารกิจถึงเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องนมีสติกำกับในการรมในการสั่งการในการปกครองในการบริหารราชการแผ่นดินมันก็ไม่ได้แปลกอะไร เพราะในความเป็นสติมันต้องมีปัญญาอยู่แล้วก็มีธรรมะข้ออื่นๆ อ, อยู่ด้วยที่เราสังเกตว่าถ้าเรามีสติก็แสดงว่าเราต้องมีศรัทธามีความเพียรมีสมาธิมีปัญญามีขันติมีสัจจะแล้วก็ธรรมะเราอื่นอีกเป็นอันมากที่เราพูดถึงบุรณาการในปัจจุบันในแ ง, ง่ของธรรมะที่จริงเขาบูรณาการเขาเอง เพระาะธรรมะเขเป็นกระบวนการและเขก็จะบูรณาการเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ดีงามขึ้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่โลกรอคอยมันเกิดขึ้นพระเจ้าจันทบัตชุดถ้าตามพระนามก็แสดงว่าพระเจ้าบัตชุดผู้ดุร้ายแล้วก็มีประวัติที่แสดงให้เห็นความดุร้ายของพระองค์ แล้วก็ยังไม่ปรากฏนะฮะไม่ปรากฏข่าวคราวว่าทัรทำอันตรายอะไรแค่ๆครย่งแต่ว่าอาจจะเป็นอดีตคล้ายๆกับพระเจ้าอาโศกเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าจันทาโศกก็แปลว่ า, าโศกคน ด, ดุดูร้ายเหมือนกันแต่ว่าผลงานที่ยังปรากฏอยูน่นี่เป็นผลจากความทรงธรรมของระอง พระเจ้าจันนบโชดมทราบข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอวันตีชนบทตรงนี้เราเห็นคําาสุกโตของพระพุทธเจ้าคือเสด็จมาดีเสด็จอยู่ดีเสด็จไปดีการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีวิธีการที่รุนแรงเพราะคนยอมรับการศัตรู เนพระพุทธเจ้าของพระองค์เป็นการยอมรับตามหลักของพระพุทธคุณเนี่ยคนต้องรับพระองค์ด้วยศรัทธาด้วยปัญญาดีด้วยผลมีความรู้สึกว่าตัวเองจะได้นะฮะจากการเข้าฟฝ้าพระพุทธเจ้ามันไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องสูญเสียอะไร ผลประวัติศาสตร์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงก็ถือว่าราบรื่นน่นะฮะในแง่ของศาสนาแม้จะมีคนลิสยาแข่งดีเบียดเบียนประทศสลายมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าทำอะไรพระองค์ไม่ได้ยังที่เราทราบกันยิงส่งจันตปัดโชต์ยิ่งส่งกัจจายนะเนี่ยบางทีเรียกวกัจจายนะบางทีเรียกวกัจจานะ ก็แปลว่ามีผิวดุดทองคำเพราะว่ากัจจายนะกัจจานะมันก็เหมือนกับการช น, นะนั่นแหละนะ ก, ก็แปลว่าทองก็มีผิวสวยงามรูปร่างหล่อพ่อขั้นก็เป็นบุรุหิตมือพ่อตายไปก็ได้ตำแหน่งปุรหิตแทนพ่อแต่ว่าเป็นคนที่มีบารมีเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่า เมื่อรับสั่งเมื่อรับรับสั่งของพระเจ้าจันทประโซดว่าจะไปกราบทูลอัญเชิญสเสด็จพระพุทธเจ้ามาสู่กรุงอุเชนีเนี่ยท่านก็ออกเดินทางพร้อมโดยเพื่อนอมาตอีกรวมแล้วก็เป็นเจ็ดคนเลยกันในขณะเดียวกันก็ขอกราบทูลลาเพื่อเพื่อบวชในสำนักพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นขนาดนั้นนะไม่เคยได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ทราบข่าวแต่พระเกียรติคุณที่แผ่ไปด้บทพระพุทธคุณเนี่ยอิติปิโสภควาอารังสมาสมุโทโเนี่การตัดสินใจมันเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นก่อนที่จะได้เห็นก่อนเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมก็แสดงให้เห็นดุจปัญญาถึงบารมีของท่าน ถึความเชื่อมั่นอย่างที่อนาทบินิกาเศรษฐีท่านเชื่อมัน่นอนาทบินิกาเศรษฐีก็เหมือนการพอได้ยินชื่อท่านนั้นเองก็เชื่อวันพวกนี้จะไปเร็ว่พระมหากัสสปะอย่างนี้ก็เชื่อมั่นอย่างนั้นธรรมะจะพระมห า, มากัสสปะนี้เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนยังไม่เคยเห็นตัดสินใจออกบวชทิ้งทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาล ออกบวชอุชิตพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพัญญาพระเจ้าหมากับปินะกกระพนางโนยชาพร้อมด้วยอำมาตย์แล้วก็พัญญาความามาเนี่ยเสร็เศร็ก็สองพันกว่าสลัดทรัพย์สมบัติทั้งบวงออกบวชอุชิตพระพุทธเจ้าแล้วแต่เราดูคนสมัยนั้นเนี่ยเขามีบารมีจริง คือจะไม่อลัยเยื่อใยผูกพันในฐานะในตำแหน่งในชั้นยศในเรียกว่าลาบย ศ, ศสันสุรุก์เนี่ยหรือไม่ติดเลยไม่ติดในลาบย ศ, ศสันสุนทุกที่กลัวกามังเสวยอยู่พระกัจจายดาปุโรหิตก็มีลักษณะอย่างนั้นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรม มันพร้อมอ่ะเป็นคนที่พร้อมมากๆก็ได้บรรลุมาผลเป็นพรหันเดีวขอบวชก็บวชในยุคต้นคือด้วยพระพุทธธรรมหลักที่ว่าให้เป็นทีกษุมาเถิดธรรมะเรากล่าวดีแล้วจงระพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ไวยสอบเถิดแต่ท่านก็บรรลุแล้วก็เลยก็ไม่ต้องกล่าวอย่างนี้เมื่อได้เวลาเหมาะก็กราบทูลถึงพระประสงค์ของพระเจ้าจันทรประชด เราต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดสัตว์ที่กรุงอุเชนีในอวันทีสนบทภายใต้พระบรมราชูประถัมนะฮะหมายความท่านพระเจ้าเสด็จเนี่ยก็สะดวกแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยใช้ลูกศิษย์เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ไม่เคยใช้พระเจ้าพิมีสารพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าจันปพชโยพระเจ้าอุเชนีเจ้าสุโธทนะ พระเจ้าวานามาพระเจ้าพัทิยะอะไรแต่ไรเนี่ยพุ้าะไม่เคยใช้ก็ใช้ธรรมะนี่ยเป็นหลักในการเผยแผ่พระศาสนาคนเข้ามานับถือรู้แต่ศาสนาก็เกิดด้วยศรัทธาเกิดด้วยปัญญาเกิดด้วยเหตุผลชวนตัวก็แน่นอนบางท่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นแต่ว่า สรุปแล้วก็คือได้รับผลจากการบวชพระเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระหมากเตยนะกับพระภิกษุที่เป็นสหายซึ่งเป็นชาวอุเชนีไปเผยแผ่เองความสนิทสนมคุ้นเคยความเป็นกันเองมันจะทำให้ง่ายต่อการเผยแผ่ธรรมะ ก็เลยส่งให้พระเทระเนี่ยเป็นก็เรื่องว่าหัวหน้าธรรมทูตคล้ายๆกับชุดที่สองนะฮะอาจจะเป็นชุดที่สามท่า น, นับพระท่านภัตตะกีด้วยเนี่ยคือชุดแรกก็หกสิบชุดที่สองก็สาสิบชุดที่สามก็ถือว่าเจ็ดรูปแล้วก็นอกนั้นก็เป็นชุดต่ อ, ตอไปปรากฏว่าบนเส้นทางที่ท่านกลับไปสู่เสนีเนี่ย มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดศรัทธามากต้องการที่จะทำบุญถวายพระตาหารแก่พระอระหันต์เหล่านั้นแต่าก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองในสุดก็ตัดสินใจตัดผมขายก็แสดงแนวตัดผมขายเนี่ยก็มีมาตั้งแต่โบราณนะ แ, แสดงว่าผมแนวทำวิกแนวอะไรนี่คงจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แล้วก็ด้วยบุญอนิสงส์ที่เสียสละอย่างสูงก็ทาให้นางได้สถานะเป็นสนมของพระเจ้าจันทประโชดแล้วก็เมื่อไปแล้วท่านก็ตั้งกองเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่นั้นพระเจ้าจันทประโชกก็เป็นพุทธศาสานิกชนที่เคร่งครัดแต่ว่าหลักฐานไม่ได้บอกว่าเป็นพระรียบุคคลชันใด ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนนะครับเพราะว่าคือเรื่องราวที่เราพบสองสามตอนเนี่ยก็แสดงวันทักก็ยังยังดุอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายแก่ใครนะครก็ไปพบเรื่องที่เกียกับหมอชีวกคราวหนึ่งกับเรื่องพระเจ้าอุเทนคราวหนึ่งแต่เราก็เห็นว่าท่านยังดุอยู่ ส่วนในช่วงหลังเนี่ยชื่อเสียงข่นหายไปแต่พระหมากระใจนาก็ตั้งกองเผยแผ่ศาสนาอยู่ในที่นั้นก็คงจะมีคนเคารพนับถือมากแล้วก็ไปมาหาสู่พระพุทธเจ้าคงจะหลายครั้งพุทธเจ้าก็มายกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จักของพระพิสุสามเณรและในสุดก็ แต่งตั้งท่านเป็นเอตทัคคะในทางที่ขยายข้อความย่อยๆเนี่ยฮะให้วิจิตพิสดารออกไปทํานองคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับวิทยานิพนธ์หรือคล้ายๆกับสารานิพนธ์หรือแบบแต่งกระทู้หรือเรียงความอะไรเนี่ยนะอยู่หมายความมาตั้งประเด็นย่อยๆขึ้นมาแล้วก็ขยายอธิบายความ พระมาคัจจนะจะเก่งมากในเรื่องแบบนีน้แต่ว่าใส่การที่เป็นพระรูปหล่อแล้วก็สุดทรงเนี่ยใกล้เกียงกับพระพุทธเจ้าพระถ้ราที่สุดทรงใกล้เกียงกับพระพุทธเจ้านี่ก็คงจะมีพระนล น, นะฮะพระนนพระพุทธอนุชาแล้วก็พระมาคัจจานะแล้วก็พระมาคัจจะปะจะเรียกว่าสุดทรงมนี่ใกล้เกียงกัน พระมารปะเนี่ยก็ดูที่พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนสังกาติกับท่านพระนลกับพระมากะเจ้นะนี่คนหลงว่าพระพุทธเจ้าบ่อยพระมากะเจนะเป็นเรื่องใหญ่นอกจากว่าคนหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีบุตรเศรษฐีโสรยะเศรษฐีเนี่ยมันเกิดคิดพิษดาษนนะ่ะคืออยากให้พัญญาของท่านสวยเหมือนกับพระเทระ ความคิดอย่างนี้มีต่อพระหันถึงถึงเป็นบาปรกรรมแล้วก็ทำให้เพศท่านเปลี่ยนเพศท่านกลับเป็นผู้หญิงแล้วต้องหนีจากกรุงสวัสดีนี่ไปอยู่แสุรยญาณนครนะฮะแล้วก็หนีไปอยู่ที่ตักกศิลาอันนี้เป็นเรื่องแปลกคือต้องยกให้เป็นเรื่องของเทว ก, กรรมะวิปากวิสัยวิสัยของบาปรกรรม ก็แสดงว่าด้วยผลแห่งมรรคกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนหมดจากความเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้หญิงไปหมดอย่างสิ้นเชิงเพราะท่านเออไปแต่งงานกับบุษเสศีที่เมืองกรังดีราแล้วก็เลยมีลูกชายอสองคนตอนนั้นเป็นผู้ชายเนี่ยก็มีลูกสองคนเหมือนกันหมายความว่าท่านเป็นพ่อของเด็กสองคนเป็นแม่ของเด็กสองคน ก็ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษก็มีอยู่องค์เดียวเป็นอจินไตคือคิดออกไม่ได้เป็นวิสัยของบา ป, ปรกรรมเป็นวิสัยของกรรมที่ที่คนได้กระทาไว้เพราะฉะั้นไอ้คนคิดที่เรนพิเรนอย่างนี้มันหายากเพราะเราก็เอาตัวอย่างที่สองที่สามมาเทียบเคียงไม่ได้มันก็คล้ายๆกับพวกที่ถูก ตอนนี้สูกมันก่อนที่มีการถามคําถามคือเราใจว่าคนที่ทำบาปรกรรมขนาดนั้นเน่ยขนาดพระเทวทัตขนาดพระเจ้าสุภภาพุทธ h ขนาดนั้นทมานก ข, ขนาดนางกินจามโนวิกาหรือขนาดนันทยักษ์เนี่ยมันไม่มีเพราตัวอย่างมาเทียบเทียงก็เทียบเทียงกันได้หมู่พวกเรานั้นเน่ยว่าเป็นการประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็แรง เพราะาประทุษร้ายต่อพระหันระดับมหาสาวกเนี่ยระดับเอตตะทะคะสาวก น, รรนันถมนบก็ไปประทุษร้ายต่อพระวุฒิปนาเทรีภิกษุณีภิกษณุกษณีระดับเอตตทะคะนะและ้วก็นันทกยักก็ไปประทุษร้ายต่อพระสารฤบุตรซึ่งเป็นอักษสาวกเป็นมหาสาวกและในบาปรกรรมเนี่ยเนี่ยเราเราไม่มีตัวเทียบเคียง แล้วก็ในยุคปัจจุบันก็ไม่มีวัตถุที่เป็นเหตุให้คนทำกรรมได้ขนาดนั้นแต่ก็ฟังเอาไว้ว่ามันแสดงให้เห็นว่าเจตนาวัตถุความพยายามนี่แรงบาปกรรมจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามตัววัตถุตัวเจตนาตัวความพยายามเนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าบาปมากบาปน้อยบุญมากบุญบุญน้อยอะไรต่ออะไรก็มาวัดกันตรง น, นี้ หลันพระมหากาจยานะในการต่อมาเนี่ยท่านก็มุ่งอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกอะ่ะไม่ต้องการให้คนคิดอะไรแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมท่านเลยในระมิต ร, ร่างกายเป็นพระอ้วนท้องพุยก็ผิดแปลกไปจากคือไม่ให้คนไปคิดว่าท่านเป็นพระพุทธเจา้าหรือว่าคิดในแนวของโซรยาเศษฐีบุตรคิดเนี่ยหรือไม่คิดในแนวนั้น ก็ลงกลายเป็นจุดเด่นเป็นที่สังเกตง่ายเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายแล้วก็ถ้าก็มีผลงานสืบต่อกันมาอย่างเนติปรกรณ์ซึ่งเป็นการอธิบายพระธรรมคำสอนของพระเจ้าในแง่มุมต่างๆสรุปรวมแล้วก็เป็นหลักความริสัตในสายเนี้ยมีเอกสารหลายระดับเท่ากันให้ความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะธรรม ที่เญ็นจริงไมยากกันนะเพราะว่าเราจะเห็นเป็นกระบวนการอย่างที่บนก่อนที่พูดถึงการที่รู้เจ้าทรงพิจารณาถึงสัญญาของโองที่ลาไปเนี่ยโดยเฉพาะอาการอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจจกเขตดอย่างหนึ่เ mm hmm. นะช่นว่ า, าการที่เรามองว่ารูปสวยงไปรับกินหอมรสรอยสัมผัสได้ถูต้องเนี่ย มันเกิดมาจากจิตที่กําหนดด้วยด้วยสุภาษัญญาหรือสุภาษิมิตไปคิดเอาอย่างนั้นคือเราปรุงคิดคิดปรุงเอาเองแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอย่างที่เราคิดมันคล้ายๆกับถ้าเรามองดูคล้ายๆกับเด็กจะดูหนังการ์ตูนนะฮะดูเคะเล่นะเล่นการ์ตูนะตอะไรต่างๆ แกดูเด็กแล้วแกก็เป็นตกเป็นตะนะเป็นเรื่องจริงนะในสาหรับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องจริงเ ป, ปเป็นตัวเป็นตนจริงๆเลยแล้วก็เธอสนุกเพราะฉะนั้ถ้าเราดูดูเด็กอีกมัคือแทนที่จะดูการ์ตูนเราดูเด็กอีกทีนึ่งแล้วเราก็จะเข้าใจอะไรเีกเลยจะรู้สึกเมตตาจะรู้สึกสงสารเด็กแล้วก็อาจจะสงเคราะห์น้ขของเช่วเหลือคือกุญแจเด็กได้ พระมรรคจาย น, นะเขาเรียกว่ามีกายกตาสติคือกายกตาสติเนี่ยได้แก่สติที่เป็นไปในกายดูที่กายตัวเองแนวหนึ่งก็คือแนวที่มองรวดไปเลยนะฮะดูพิจารณากายของตัวเองบ้าประกบอบด้วยการสามจุดสองละยกอาการสามสองขึ้นมา ในตอนตอน้ตนก็สาธยายนะฮะเช่นว่าผมขนเะล้วกวันนังเนือเองกกนกระดูกเยื่อนกระดูกม้ามปอใจตับตปังผืดไตปอดไซใหญ่ไซน้อยก็ว่าไปเรื่อยนะถึงมันสมองมาทะลุงคังคือมันสมองเวรานการสามสิบสองทีนี้ของพระเทราเนี่ท่านเป็นพระหารท่านไม่ได้เจริญอย่างนั้นหรอก คือไม่ได้พิจารณาให้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอะไรเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้กำหนัดอะไรแต่ว่าเป็นการเจริญแบบรูปแบบของการเจริญกายกตาสติหมายความว่ามีสติอยู่ที่กายอยู่สติตั้งมั่นอยู่ที่กายแล้วถ้าในแง่ของความเป็นจริงพระอ ร, ร, ะราหันต์ท่านก็อัตโนมัติตั้งมั่นอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ นี่แนวของสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานคือสติปัฏฐานก็ได้นะมหาสติปัฏฐานก็ได้ก็คือเรื่องเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ามหาสติปัฏฐานจะขยายออกไปพิศดาลอธิบายแต่ละข้อในทิศดาลออกไปทันทนเนี่ยเนื้อหาสาระก็เป็นเดียวกันหมายความว่าคนที่กำหนัดยึดติดอยู่ในกายเนี่ย กายตนหรือกายคนอื่นก็ตามนัม้นเกิดจากจิตไปกำหนดด้วยความกำหนัดในกายบางทีก็กำหนัดหมดทั้งคนเลยคนนี้สวยรถคันนี้สวยบ้านหลังนี้สวยอะไรต่ออะไรเขาเรียกว่าถือโดยนิมิตอีกอย่างหนึ่งไปกำหนดสัดส่วนบางทีมันก็แรงนะฮะอย่างนางติสยารักษิตาซึ่งเป็น พระชายาของพระเจ้าอาโศกมาราชท่านพอใจในพระเนตรของเจ้าชายกุณาละซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาโศกเป็นแม่เลี้ยงนะฮะเป็นแม่เลี้ยงเป็นพระสนุปพยายามที่จะยั่วยวนเจ้าชายกุณาละเพื่ออากมาเป็นสามีเจ้าชายกุณาละท่านไม่เล่นด้วย พระเจ้าอันโชก็ส่งไปเป็นอุปราชที่อุตเชนีเมืองเงี้ยเมืองพระเจ้าจันทบุรีในวันที่ชนบทนางแค้นมากคือเจ้าชายไม่ยอมร่วมมือด้วยรอมพระบรมราชองค์การให้เจ้าชายแสดงความพักดีโดยการควักดวงตาถวายเจ้าชายเข้าใจว่าจริงควักดวงตาถวาย น, นี่คือลักษณะของของราคะของโลภะเนี่ยพอมันอยากสุดๆดแล้วเนี่ยฉันครอบครองไม่ได้คนอื่นก็ครอบครองไม่ได้ทำลายนะเห็นไหมราคะโลภะเนี่ยมันพลิกกลับเป็นโทสะคือถ้าตอบสนองก็จะเกิดราคะเกิดโลภะต่อถ้าไม่ตอบสนองก็จะเกิดโทสะหรือเกิดโศกะคือเกิดโศกตอนนี้มันก็เกิดเกิดโทสะ ศุสาก็ประทุสลายแล้วก็กบกระเทือนต่อการสืบสันติวงศ์ในราชวงศ์เมอร์ยะของพระเจ้าโศกจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยราชวงศ์พระเจ้าโศกก็อยู่ไม่นานนะเพราะว่ามาถึงรุ่นหลานก็สองสามองค์หลานเลนนะถึงพระเจ้าพิลาสรถก็หมดนะเพราะวา่าคนดีเด่นดังทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ไม่ค่ได้ มันการสะท้อนกิเลส ข, ของมนุษย์ออกมาเพวัะถ้าต้องการจะบรรเทามันก็อยู่ที่การพยายาิจารณาพิญญาครั้งแรกถ้าจริงก็เริ่มจากอนาปานสติเนี่ยตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะจริงๆลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นกายสังขารคือร่างกายเรามันก็ปนปื้ออยู่ลมหายใจเขาออ้าหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้ า, ขาเราก็ตายแล้ว เราบางมากนะชีวิตเนี่ยเบาบางมากดับเมื่อไรไม่รู้เลยนี่ข้อที่น่าสังเกตว่าเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยมีพระที่คุ้นๆกันหลายรูปตายง่ายตายได้เลยเม่องนั่งนั่งนั่งรถอยู่เนี่ยคุตายไปเฉยๆแม่องนั่งสมาธินี่ควกตายไปเฉยๆคือตายแบบง่ายๆอ่ะ องนอนนอนก็ตายไปเฉยๆเป็นต้นมันก็ทำใหู้่ว่าไอ้เห็นว่าชีวิตเนี่ยแหมมันมันไม่มีมิตไม่มีเครื่องกำหนโดหมายจริงๆโอกาสจะแตกลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้ใ น, ในการเรียนอย่างเงี้ยคล้ายๆจะง่ายอะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนในประมาทคนในประมาท แล้วก็ขาดสติในการมองในการคิดยังแม้จะไปงานศพเนี่ยรือว่าไปในสานักครูหน้าเรีย น, นเรียนความจริงของชีวิตแต่ว่าคนที่ได้อนุสติกลับมาเนี่ยมีน้อยได้มานานุสติกลับมานี่มี น, อน้นนอยงานศพ บ, บางต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่เคยไปเนี่ยนะเคยไปเห็นก็มีภากกลางกับภากใต้ จะเห็นภาคเหนือชีหนึ่งไปศาลก็ไปเห็นเจ้าพ่อสพระมีลักษณะเป็นงานรื่เนเริงหรืองานที่จะเรียนถึงความจริงของชีวิตแต่มันกลายเป็นงานรื่นเริงภาคใต้เคยมียุคหนึ่งเนี่ยมีการเจ้นรำกันนะรำรำราวงกันเอาถังน้ามันมาวางตรงกลางแล้วก็ถังน้ามันเนี่ย ทีถังน้ำมันแล้วก็เจ้าภาพจะเพิ่มเนี่ยต้องดื่มเหล้าต้องรำกันหมดเลยแพ่หลายมากจะดีฮะตอนนี้ก็หายไปเพื่อในการกา ร, การเรียนแนวกายกตาสติคือสติเป็นไปในกายบางครั้งเราเรียกว่าอสุภสัญญาบางครั้งเราก็เรียกว่ากายกตาสติแต่ ว, ว่าเรื่องเดียวกันนะะเรื่องเดียวกัน เียงแต่ว่าอสุภะบางชีเนี่ยไปเรียนที่ข้างนอกแต่กายกตาสติก็เรียนจากข้างในแต่ตอนนี้ไม่ใช่ข้อยุตินะฮะไม่ใช่ข้อยุติคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นเพราะวัตถุคือสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการทาความพอใจเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นของเราหรือของคนอื่นกันนั่นเอง แต่ก็เรียนจากผงคนรละผ น, นังเนี่ยนี้แนวของกายานุปัฒนานติปัฏฐานเนี่ยการฟอกอัปยาไสยของคนเราที่มีตัณหาจริตแต่ตัณหาจริตมันก็มีหยาบกลางละเอียดเอาจากนิ่มๆไปก่อนก็ดูที่ลมาหายใจเข้าออก ก็ต่อมาในการต่อมาเนี่ยวิสุทธิมรักเนเปลี่ยนเป็นนับลมพะการตั้งสติระลึลกรู้จับลมเนี่ยที่จริงจับยากเพราะนั่น้อจะไต่ตที่การนับลมหายใจเข้าออกอย่างอุตรานิกายคือนิกายมหายานนิการอย่างนี้ต้องใช้นับลกประคำให้จิตมันคุ้นก่อนแล้วก็นับลมหายใจเข้าออก ตอนแรกก็นับเรื่อยๆไปก็ได้จากนั้นก็นับไปชุดๆ1นถึง5้าหนึงถึง6กหกนึงหนึ่ ง, 5, ง 1, ถึงเจ็ดถึง8ปดแปดหถึง9ก้าเกึงถึง10บิดกลับมา1นถึง 5, 5้ต่อมีสติสัมยะความเพียรเนี่ยเป็นตัวกำกับแล้วจากนั้นก็ไปอยู่ไปดูที่อิเดียบททั้ง4ี่คือยืนเดินนั่งนอนตั้งสติระลึกรู้อยู่กำกับ ที่อิรยาบททั้งสี่แล้วจากนั้นก็ทุกอิรยาบทที่ขยับตัวเคลื่อนไหวอะไรแต่ไรต่างๆรู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างก็แล้วแต่ใครจะนําไปใช้เดี๋นี้ก็เห็นแน ว, แลวหลายๆแนวนะฮะแต่ก็แปลกเลยท่านไปยึดติดแต่วไยึดติดว่าแนวของท่านนถูกต้องแนวของคนอืน่นผิดหมดอ่ะหลายปีมาแล้ว ตอนนั้นเจ้าขุนสมเด็จพระสังฆราชยังเป็นพระศาสนาสุขุนยังเป็นสมเด็จพระญาณสังวรแต่ว่าตอนเป็นใหม่ๆอะ่ะก็มีการนิมนต์พระไปก็าไปซุ่มวิปัสนาจารย์จำนวนมากแล้วท่านก็มอบหมายมาไปแทนไปแทนประบรรยายเสร็จแล้วก็ลงมาฉันกับคณาจารย์อะไรตั้งวงคณาจารย์ทั้งนั้นแต่สํานักต่างๆก็ลองคุยดู ท่านก็อธิบายนะองค์หนึ่งอธิบายองค์ส ก, กิตรสกิตว่าอธิบายไม่ถูกตัวเสร็จแล้วก็ตัสรุปให้ท่านท่านเข้าใจนะว่าอารมณ์ของกรรมาฐานเนี่ยมันไม่ใช่ลงตัวว่าจะต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่มันเพียงเพียงมรรคมันเป็นเพียงมรรคท่น น, ทนั้นเองก็อยู่ในกระบวนการของจิตสิกขานั่นแหละ อ ย, อยู่สมาวิยามะสมาสติสมาสมาชีอยู่ในกระบวนการตรงนี้แหละก็ก็ก็ทํำยังไงก็ไม่รู้แหะก็ให้กิเลสมันสงบก็แล้วการนิวรสงบก็ถือว่าใช้ได้สมถะมันอยู่ที่การสงบนิวรไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าจิตสงบนิวรหรือไม่นั่นคือประเด็นเราจะต้องตอบให้ได้ถ้าจิตไม่สงบจากนิวรก็ยังถือว่าไม่เข้าถึงเนื้อหาของความเป็นสมถะกรรมฐาน เพราะจิตสงบในบอนเนี่ยมันเป็นชานนะเพราะถ้าสงบอย่างอื่นก็สงบได้สั้นๆถ้าสงบระดับชาญมันก็นานแต่ก็นานน่อยนะะคือคือมันก็เสื่อมได้พเราก็ไปรับอารมณ์จากข้างนอกจากนั้นก็ให้ไปดูแยกกายเป็นธาตุเป็นดินน้ำลมไฟอากาศ ดูลักษณะที่แข็งแข็งเป็นธาตุดินลักษณะเอิบอาบซึมซับไหลไปมาได้เป็นธาตุน้ำลักษณะพัดผันเป็นธาตุลมลักษณะที่เผ า, า, ากายาทำกายอบอุ่นทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยอะไรต่างๆก็เป็นธาตุไฟมตดูศัพทว่าธาต์ก็ดูไปไเรื่อยๆนะดูไปไเรื่อยๆจนจิตสงบแล้วก็ปัญญาจะเกิดขึ้นมาพิจารณา ตัวอย่างง่ายๆอ่ะที่ทรงแสดงว่ามันเหมือนกับเราขัดพาสนะทองเหลืองพาชนะก็ของเรานะฮะเราเป็นคนขัดเ ต, ตัวเสนหนิมเนี่ยมันเหมือนกันนี่บอนอะแต่การขัดก็เหมือนกับอารมณ์ของกรรมฐานวิธีเจริญกรรมฐานความสะอาดเนี่ยมันเป็นผลมาจากการเจริญกรรมฐาน เราก็ดูเองว่าสนิมมันหมดหรือไม่หมดถ้าไม่หมดก็ขัดไปเรื่อยๆขัดกันจนกว่าจะหมดทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ายังไปไม่ไม่ไหวยังเอาไม่อยู่อนะก็ไปเรียนรู้จากศักศพในปาชาในรูปแบบต่างๆปัจจุบันเราก็ไม่มีซากศพในลักษณะนี้แต่ยังนึกว่าภาพศพ ในกรณีคลื่นสึนามิเนี่ยมันเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้เยอะแต่ว่ามันอยู่ในสองสามระเบียแรกเพราะส่วนใหญ่มันเป็นศพที่เริ่มเบื่อเริ่มยุ่ยอะไรเนี่ย ก, ก็อยู่ขนาดนั้นแต่วาอารมณ์ของสมถกรรมาฐานที่จริงท่านไปถึงกระดูกกระดูกเขาโพลเนี่ยก็เป็นอารมณ์ว่ากรรมาฐานได้ เป็นการเหมาะสมแก่พื้นฐานของผู้ฟังแต่ยังที่บอกว่าคือพระอระหันต์เนี่ยท่านท่านเข้าฌานแบบทิ่จธรรมสุขวิหารคืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็หนักไปที่การพักผ่อนทางร่างกายมากกว่าเพราะจิตท่านก็เต็มไปด้วยธรรมะนะฮะ มีเขาเรียกว่ามีปิติเป็นภักษามีอาหารคือปิติปิติเป็นภักษาอยู่แล้วเป็นอาหารอยู่แล้วทีนี้พระพุทธอุทานที่พระเจ้าทรงเป่งมันเป็นบทเรียนหมายความมาสะท้อนจากองค์ของพระมหากัารณ์นะพระหมายเจ้านะจึงเป็นเป็นต้นแบบในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบ เป็นจํานวนของกอยสูงศึกษาธีการเวนี่ยมีครูต้นแบบมีครูอะไรแต่ไม่อะไรมากมายก่อนวันก่อนฟังท่านนายกไปประชุมระดมความคิดเรื่องการศึกษาที่ที่ขัดกันก็ถ่ายทอดออกอากาศแต่ว่าฟังไม่หมดเราลองฟังก็ดูหน่อยเนี่ยคือยังมีความรู้สึกว่า เราไปคิดเรื่องเรื่องต้องเสียเงินทองเนี่ยมันเยอะดูงาประมาณวันนั้นแล้วฟังแล้วสยองนะคอมพิวเตอร์เท่านั้นไอ้นั้นเท่านั้นไอ้นั้นเท่านั้นไอ้นั้นเท่านั้นเงินเดือนเท่านั้นเพื่อนหนี้เท่านั้นเท่านั้นหรือถ้าเอาตามตัวเลขนั้นแล้วก็ลำบากนะ คือยังยังนึกว่าแนวของการศึกษาเนี่ยถ้าเราจับหลักจับหลักของพระพุทธเจ้ า, เาไว้ว่ามันไม่รุมรังอย่างที่เราคิดเลวนะคือทำอยังไงให้เรามีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีแา้ัก็สี่ดีอ่ะที่จริงมันก็สองดีอ่ะรู้ดีกับประพฤติดี แล้ความรู้ดีเนี่ยมันจะนําไปสู่การคิดดีแล้วก็สามารถดีทีนี้ไอ้ความประพฤติดีเนี่ยมันจะกํากับกํากับการใช้ความรู้การใช้ความคิดการใช้ความสามารถมันก็ดํารงอยู่ในสติสติเราถ้าม่อย่างนั้นเราแก้ปัญหาไม่ได้เช่ปัญหาขอรับท่านเนี่ยเราแก้ไม่ได้เรียนให้ตายก็ไม่ได้ เรียนอะเป็นด็อกเตอร์เป็นพึ่งๆก็ไม่ได้พระธาตุราบใดที่ยังไม่สุดจริตเนี่ยลําบากตอบสนองด้วยเงินมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันมันไม่อีกมอะมันเป็นตันหาเนี่ยมันเป็นไฟอ่ะใครตอบสนองให้ไฟมันหยุดไหม้ได้ถ้ายังมีเชื้อเนี่ยมันไม่อยูอ่ละมันก็ไหม้ได้ไปเรื่อย คือถ้าเรามองในรายละเอียดเนี่ยมันเยอะนะที่ครูกู้เงินไปแล้วไปซื้อมือถือไปซื้อจักรยานยนต์ไปซื้อปิกอัพไปพอะไรแต่ไหไปผ่อนพวกนี้แม้แต่งเงินอะไรต่ำบนละล้านก็เหมือนกันนะแล้วแต่อย่างนั้นมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่เป็นประโยชน์มันต้องย้อนกลับไปพัฒนาสานึกของคุณภาพประชากรอะ มันต้องกลับไปที่รากรากงาวของปัญหาทั้งหลายเหมือนกับเหมือนกันแนวพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าจริ ง, รงๆแนวพื้นที่เนี่ยถ้าถ้ามองโดยไม่ฟังอธิบายะนะฮะไม่ฟังอธิบายแต่เราก็คิดจากจากหลักการตัาอื่นเมือนก็นเป็นการศึกษารูเขาดูเราแล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะวรแก่กรณีเหล่านั้น พื้นที่สีแดงเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับคนเอาคนก็มาเป็นพวกเสียก่อนติดอาวุธติดอาวุธคือปัญญาติดอาวุธคือสำนึกที่ดีให้ได้เถอคกันแล้วค่อยเอาเงินลงทีหลังทีนี้ในกรณีของสีอะไรครับสีเหลืองหมายความไปพร้อมๆกันเี๋ย พ, พร้อมกันได้ ในกรณีของสีเขียวนั้นก็เป็นที่ได้เลยเพราะคนก็ไม่มีปัญหาคนก็ไม่มีปัญหางานมันก็พัฒนาก้าวหน้าไปได้ที่จริงเป็นเรื่องปรับสภาพความพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันแต่เราจะเห็นว่าไอ้เด็กสามขวบกับเด็กห้าขวบเนี่ยมันมันวิธีการพัฒนานก็ต่างกันแต่ก็คือพัฒนานั่นแหละ มนุษย์เราเนี่ยถ้าพยายามทำความเข้าใจอย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวเรารู้อยู่คนเดียวเรารักษาดคนเดียวเนี่ยจะยอมรับและถือคนอื่นตอนนี้เป็นเรื่องแบกอะ่ะคือหมายความมาถ้ารัฐบาลคิดอะไรพูดอะไรออกมาแล้วผิดหมดเลยมีคนกลุ่มหนึ่งนี่ผิดหมดเลยตัดสินนั่งตัดสินนั่งตัดศินอยู่ในห้องอะ่ะ คนก็คิดจากภาคสนานะเขาม่ข้อมูลอะไรมากมายไกล่กองกว่าจะคิดกว่าจะตัดสินใจแต่เราก็ที่ผิดที่ถูกรู้เลยโดยยังจริงๆยังไม่มีข้อมูลอนะอะไรผิดอะไรถูกยังไม่รู้เลยทาไปอันนี้คือคือคือเรื่องเรื่องก็องการมีปัญหาเราะการการตัดสินว่าร่างกายเนี่ยมันปฏิกูลนะที่พู้เจ้าว่าจริงหรอ มันก็อยู่ที่การพิจารณาพิจารณาย่อยๆเอาผมขนและผ น, นังก่อนดูที่ผมขนและผ น, นังก่อนว่ามันปฏิกูลไหมน่าเกลียดไหมดูสีดูสันธานดูกลิ่นดูที่เกิดดูที่อยู่โดยการจุกชุมแช่ดูผู้โปรหิตดูการที่ผมมันตกไปในอาหารตกไปในที่ต่างๆเนี่ยเรายังพอใจยินดีต่อผมสรวยสวยขมดําเป็นเงาหรือเปล่า น, นี่เราเห็นว่ามันก็พิจารณากรวินิจัยศึกษาให้เกิดความเข้าใจแตก่อนแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเข้าใจแล้วเราวินิจัยได้เพราะฉะนั้นจึงถึงบอกว่าพระญบุคคลเนี่ยท่านจึงมีทิฏฐิเสมอกันมีทิฏฐิสัมปันโนเพราะทั้งหมดเนี่ยท่านผ่านกระบวนการทำกายวาจาใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณา รู้เห็นตรงกันผลสังคมระยะจึงไม่ใช่เป็นสังคมของการถกเถียงแต่เป็นสังคมที่มีทิฏฐิเสมอเป็นสังคมของผู้รู้เป็นผู้นิ่งเป็นผู้สงบซึ่งเราก็สามารถจะเดินตามได้โดยระบบของความคิดแนวโยนิโสมนสิการ์นี่้งฝังเท่าไหร เสียงคําจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัก่วกันสวัสดี